จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่าจากภารกิจการงาน ต, าตา่ตางๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างความสุขให้แก่ชีวิตจิตใจที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขชนิดอื่นเช่นความสุขที่ได้จากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปเที่ยวตามสถานที่ตา่างๆ เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีความทุกข์แถมมาให้ด้วยมีความอยากเที่ยวแถมมาให้ด้วยจึงทําให้ต้องไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานอยู่เรื่อยๆได้ดื่มได้รับประทานมากน้อยเพียงไรก็ไม่เกิดความอิ่งพอกับจะเกิด ความอยากดืมอยากรับประทานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับการมาสร้างความสุนทางใจตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างกันการสร้างความสุขทางใจนี้จะทำให้ใจมีความอิ่มมีความพอจะลดความอยากลงไปตามลำดับ และจะทำให้ความอยากหมดไปได้ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดวิธีสร้างความสุขแบบนี้มีอยู่หลายวิธีด้วยกันเนื้อมีอยู่หลายขั้นหลายระดับขึ้นอยู่กับฐานะภูมิจิตภูมิตัน สติปัญญาความรู้ความสามารถขึ้นอยู่กับฐานะการเงินการทองขึ้นอยู่กับสภาพเหตุการณ์ซึ่งเราก็ต้องทำไปตามฐานะตามสภาพเหตุการณ์ของเราการสร้างบุญก็สร้างความสุขชนิดแรกนี้ก็พระพุทธเจ้าส่งตรัสว่า คือการให้ทานการให้ทานก็คือให้สิ่งของที่เรามีเหลือกินเหลือใช้มากเกินต่อความจำเป็นมากเกินต่อความต้องการของการดำรงชีพถ้าเรามีส่วนเกินส่วนเหลือนี้ส่งสอนให้นำเอาไปแบ่งปันแก่ผู้อื่นให้สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ลำบากลำบนแม้แต่เดชะฉานก็ทรงสอนให้ดูแลให้สงเคราะห์ถ้าเราได้ให้ความสุขได้ด้วยการสงเคราะห์ผู้อื่นเราก็จะได้ความสุขใจกลับมาความอิ่มเอิบใจความพอใจนี่คือการสร้างความสุขชนิดแรกถ้าเราอยู่ในฐานะที่จะทําได้ ถ้าเรามีเหลือกินเหลือใช้เราก็สร้างความสุขแบบนี้ในกรณีที่เราไม่มีความสามารถที่จะให้ทานได้เช่นเรายัางต้องเดินนนหาเงินหาทองหาข้าวหาของเพื่อมาดำรงชีพ อ, อยู่ยังไม่มีเหลือกินเหลือใช้ก็ให้ใช้วิธีสร้างความสุข อีกวิธีหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นด้วยกำลังกายและกำลังใจเช่นเรามาวัดเราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราพอจะช่วยทำได้เช่นเห็นห้องน้ำไม่สะอาดสกรปรกเราอยากจะสร้างความสุขใจเราก็มารางห้องน้ำกันก็ได้ หรือเราเห็นมีถ้วยชามมากมายกองพลนินคนล้างถ้วยล้างชามมีเพียงคนสองคนถ้าเราอยากจะสร้างความสุขเราก็มาช่วยล้างถ้วยล้างชามกันก็ได้หรือช่วยกวาดถูสาราทำความสะอาดบริเวณวัดอย่างนี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับเราได้เหมือนกัน โดย mm hmm. ที่เราไม่ต้องให้ข้าวของเงินทองหรือสิ่งของเนื่องจากว่าเราไม่มีข้าวของเงินทอง mm hmm. หลือเฟือที่จะเอามาแจกจ่าย mm hmm. ให้แก่ผู้อื่นได้เราก็ให้ความช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่นด้วยกำลังกายกำลังใจ mm hmm. นี่คือการสร้างความสุขชนิดที่สอง คามสุขชนิดที่สามก็สามารถสร้างได้โดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็คือการรักษาสี่เราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดบระเวณีพูดปดเสพสุรายามันก็จะทำให้เรามีความสุขใจเพราะใจเราจะไม่ต้องวิตกไม่ต้องหวานไหวไม่ต้องกังวลกับการกระทำบา เพราะว่าเราไม่ได้ทำบาปถ้าเราไม่ได้ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมางเราจะไม่มีโทษตามมาเมื่อไม่มีโทษตามมาเราก็ไม่ต้องกังวลความกังวลนี้จะทำให้เราไม่มีความสุขใจการไม่มีความกังวลนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขใจ นี่ก็อีกวิธีหนึ่งในการที่จะสร้างความสุขให้กับใจของเราวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้จิตมีความสงบมากขึ้นให้มีความรู้ความฉลาดมากขึ้นก็จะทำให้จิตมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเวลาใจสงบ ใจจะมีความสุขจะไม่มีความโลภความอยากความโกรธต่างๆแล้วถ้าสอนใจให้ฉลาดใจก็จะปล่อยวางสิ่งที่ทําให้ใจมีความทุกข์ได้เช่นถ้าเราทุกข์กับเรื่องอะไรถ้าเรามีความรู้ความฉลาดเราก็จะปล่อยได้เราทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยา ถ้าเรามีปัญญามีความรู้เราก็จะปล่อยได้ความรู้นี่คืออะไรก็คือรู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเรามาอยู่ร่วมกันอยู่สักระยะหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องแยกทางกันไปเป็นธรรมดาจะแยกกันแบบไหนก็มีหลายวิธี แยกกันในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือแยกกันขณะที่สิ้นลมไปแล้วก็เป็นการแยกเหมือนกันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งได้ไปห้ามไม่ได้ถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางความทุกข์ของสามีของภรรยาของบุตรธิดา ของลาบยศสรรเสริญได้เพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสิ่งเหล่านี้ก็ต้องจากเราไปแม้แต่ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดถ้าเรามีความรู้อย่างนี้อยู่กับใจเราจะสอนใจไม่ให้ไปอยากฝืนความจริง ไม่ให้ปรีนคือปินเกลียวกับความจริงให้ยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงแล้วใจจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าใจไม่ได้สูญอะไรไปใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มีสามีหรือไม่มีสามีก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ม่เท่าเดิมอยู่ใจไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงไป จากการมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้สิ่งที่จะมีเพิ่มมากขึ้นจากการมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองถ้าไม่มีก็จะมีความทุกข์น้อยลงถ้าไม่มีอะไรเลยก็จะไม่มีความทุกข์เลยนี่คือใจของพ่อพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีอะไรเลย ท่านไม่กลับมาเกิดแล้วไม่มีร่างกายที่จะต้องทุกข์ด้วยไม่มีสามีภรรยา ท, ที่จะต้องทุกข์ด้วยไม่มีบุตรทิดาที่จะต้องทุกข์ด้วยไม่มีาะลาบยศสรเสริญที่จะต้องทุกข์ด้วยเยเพราะท่านมีความรู้ความฉลาดท่านรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีความเจริญและมีความเสื่อมเป็นธรรมดา เวลามีความเจริญก็ดีออกดีใจแต่ลืมไปว่ามีความเจริญแล้วก็ต้องมีความเสื่อมตามมาพอเกิดความเสื่อมก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้ารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเจริญมีเสื่อมก็จะไม่ไปอยากมีอะไรอยากได้อะไรอยู่ตามลำพังของเราดีกว่าแมนะ้แต่ร่างกายนี้ ก็ปล่อยวางร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปใจก็จะไม่มีความทุกข์กับร่างกายจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆนี่คือการภาวนาการพัฒนาจิตใจให้สงบให้ฉลาดแล้วก็จะทำให้จิตใจนั้นไม่มีความทุกข์ใจมีแต่ความสุขใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด เพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่เหมือนสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปมีใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีวันหมดไปแต่ใจของเราไม่ฉลาดใจของเรามายึดติดกับสิ่งที่ต้องเสื่อมแล้วก็หลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เวลาเขาเสือมเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไม่ฉลาดเราไม่รู้ความจริงแต่ชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเพราะเราได้มาเจอผู้ที่รู้ความจริงก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่เอาความจริงนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราได้ยินได้ฟัง แล้วเกิดศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอามาสั่งสอนจิตใจพวกเราก็จะได้ความรู้ความฉลาดที่จะมารักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆจะรักษาใจให้มีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คือการภาวนาเป็นการสร้างความสุขอีกอย่างหนึ่ง เป็นการสร้างความสุขที่สูงสุดต้องภาวนาเท่านั้นสมถภาวนาคือทําใจให้สงบก่อนก่อนที่จะสอนใจให้เจริญได้ใจต้องสงบก่อนถ้าใจไม่สงบใจจะหิวกับอารมณ์ต่างๆจะไม่ยอมฟังความจริงจะหิวกับรูปเสียงกิริลดใจหิวกับลาบยศสรรเสริญ ใจหิวกับสามีภรรยาบุตรทิดาก็จะไม่สามารถที่จะมารับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องให้ใจสงบก่อนใจสงบแล้วสอนใจให้รู้ความจริงใจก็จะรับความจริงได้ปล่อยวางได้นี่คือการสร้างความสุข ด, ด้วยการภาวนาถ้าเรายังภาวนาไม่ได้ ก็ยังมีวิธีสร้างความสุขแบบอื่นเองเช่นเวลาเราทําทานแล้วเราก็สามารถแบ่งปันความสุขที่เราได้รับจากการทําทานนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เช่นบุคคลที่เรามีความรักเขารักเช่นปู่ย่าตายายบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายที่ร่วงรับจากโลกนี้ไปแล้ว เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในสภาพใดถ้าเขาสร้างบุญสร้างความสุขไว้มากเขาก็จะอยู่สวรรค์เขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมารอรับความสุขที่เราจะแบ่งปันให้ไปแต่ถ้าเขาไม่ได้สร้างบุญสร้างความสุขไว้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เวลาตายไปเขาก็จะไปเป็นขอทานรอรับความสุขจากผู้อื่น ถ้าเขาอยู่ในสภาพนั้นถ้าเราอุทิศบุญที่เราได้ทำไปเขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้ได้รับความสุขจากเราได้รับความอิ่มเอิบใจซึ่งเป็นอาหารทิพของใจนี่เองความสุขใจนี้เป็นบุญเป็นอาหารทิพพอเราทำบุญแล้วเรามีบุญมีอาหารทิพเราก็แบ่งปันให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกทิพได้ เวลาเราทำเสร็จแล้วเราก็อุทิศได้เลยไม่จำเป็นจะต้องรอให้พระสวดญาถาสภภัพพีไม่จำเป็นจะต้องมีน้าไว้กกวดเพราะน้านี้ก็เป็นน้ำไม่ได้เป็นบุญเพียงแต่ว่าเป็นตัวอย่างของบุญเนื่องจากบุญนี้เป็นของที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบุญนี้เป็นนมามธรรมไม่ใช่เป็นรูปธรรม ถ้าจะบอกคนให้เห็นบุญเขาก็จะไม่เห็นก็แล ย, ยกตัวอย่างเอาน้ำนี้มาเป็นตัวอย่างของบุญเวลาเราอุทิศบุญเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไปว่าขอละลิกขออุทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้กับท่านนั้นท่านนี้ บ, นนนบุคคล น, นั้นบุคคลนี้ถ้าอยู่ในสภาพที่รับได้ก็ขอเชิญมารับไป ถ้าไม่มีใครรับก็ขออุทิศให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีญาติที่ไม่มีผู้อุทิศบุญให้เท่านี้บุญก็จะไปถึงผู้รับแล้วไม่ต้องให้มีพระมายาถาสัพพีมาไม่ต้องมีน้ำมาคอยเกลือแล้วที่ให้ทำทันทีก็เพราะว่าถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวความสุขใจนี้ก็จะจางหายไป เวลาเราไปทาทุระไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใครทําอะไรให้เราไม่พอใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาตอนนั้นบุญที่เราทําไว้มันก็หายไปแล้วถ้าเราละลึกได้ก็ไม่เหมือนกับตอนที่เราทําใหม่ๆดังนั้นจึงมีธรรมเนียมว่าเมื่อทำบุญแล้วก็ให้รีบอุทิศบุญไปเลยอย่างเช่นญาติโยมที่ใส่บาต พอสายบาสเสร็จพระเดินไปเขาก็กดน้าอุทิ์บุญกันเลยนี่คือเรื่องของบุญอุทิศไม่ต้องรอให้พระมาสวดญาาสัพเพความจริงการสวดญาาสัพเพนี้เป็นการแสดงธรรมเป็นการอธิบายให้ทราบถึง อ, อ, อนิสงส์จากการที่ทำทานนี้เราสามารถแบ่งบุญที่เราทำนี้ให้แก่ผู้ร่วงรับไปได้ แล้วก็การทำทานนี้ก็จะทำให้เราเจริญด้วยอายุวั น, นะสุขภ พ, พละเพราะเราทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราไม่ได้ทำโทษให้แก่ผู้อื่นเราก็จะเป็นที่รักของผู้อื่นเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะมีผู้อื่นมาดูแลรักษาเรานี่คือความหมายเวลาพระสวดยาถาสัพพี ดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องร้องไม่ต้องมีเพราะผลบุญนี้เกิดขึ้นแล้วจากการให้ของเราไม่ได้เกิดจากการให้ของพระพระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในเรื่องการทำบุญของเราพระเพียงแต่สแสดงอนโมธนาคือชื่นชมยินดีกับการกระทำความดีของเราเท่านั้น นี่คือเรื่องของการสร้างความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขอีกชนิดหนึ่งก็คือการอนุโมทนาบุญนี้เองคือเวลาเราเห็นผู้อื่นเขาทำบุญเราก็ควรที่จะแสดงความชื่นชมยินดีหรือถ้าเราสามารถที่จะร่วมกับเขาได้เราก็ร่วมทำไปด้วยก็ได้อย่างนี้ก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมา เห็นคนอื่นเขาทำบุญแล้วเราเพียงแต่ชื่นชมยินดีเราก็มีความสุขใจแล้วอย่าไปแสดงความไม่เห็นไม่เห็นชอบด้วยอย่าไปอย่าไปขัดการกระทำบุญของผู้เพราะจะทำให้เราไม่ได้บุญเราจะไม่มีความสุขนอกจากว่าเราเห็นว่าการทำบุญของเขานี้ไม่ถูกกำลังถูกหลอกลวง อย่างนี้ถ้าเรามีโอกาสที่จะพูดกับเขาได้บอกเขาได้ก็บอกไปแต่เราอย่าไปมีอารมณ์กับการบอกบอกแล้วก็จบเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อเป็นเรื่องของเขาเช่นเรารู้ว่ามีผู้มาเลี่ยายเงินแต่เงินที่เขาเลียยายไปนี้เขาไม่ได้เอาไปทาตามที่เขาพูดไว้เราก็บอกเขาได้ แต่ถ้าเขาอยากจะทําก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาทําถึงแม้เขาจะถูกหลอกเขาก็ยังได้ความสุขใจอยู่ดีเพราะเขาทาด้วยความยินดีด้วยความพอใจแต่ถ้าเขามารู้จะมารู้ทีหลังเขาก็อาจจะไม่ทําก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของเขาการให้จะให้ด้วยวิธีใดจะถูกหลอกลวงหรือไม่ถูกหลอกลวง ถ้าเรายินดีจะให้เราก็มีความสุขได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปส่งเสริมคนให้ทําความชั่วเท่านั้นเองส่งเสริมให้คนทําบาปก็ถ้าเรารู้ว่าเขาทําบาปเขาโกหกหลอกลวงเขารักทรัพย์เราก็ไม่ควรที่จะส่งเสริมเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเขาเกิดโทษกับเขาแต่ไม่เกิดโทษกับเรา เราก็ยังได้ความสุขใจได้บุญอยู่เหมือนเดิมนี่คือเรื่องของการอนุโมทนาบุญเวลาใครทำบุญก็อย่าไปขัดใจถึงแม้จะสร้างความบวรบกวนให้กับเราบ้างเช่นคนข้างบ้านเขาทำบุญการเปิดเครื่องขยายเสียงกันเช่นงานบวชงานอะไรงานศพเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วย คนเอาหน่อยคิดว่าเป็นการทำบุญอย่าไปเกิดความโกรธเพราะเขาเปิดเครื่องขยายเสียงดังแล้วก็ไปด่าว่าเขาอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่กลับจะเกิดโทษจะทําให้เราเกิดมีศัตรูขึ้นมาแทนที่จะมีมิตรถ้าเราอยากจะมีมิตรเราก็ไปร่วมบุญกับเขาอย่างนี้เรียกว่าอนุโมทนาบุญแล้วเราก็จะมีความสุขใจ ถึงแม้ว่าเครื่องกระยับยเสียงจะดังเราก็จะไม่รู้สึกลำคาญใจเพราะทำไมคนที่เขาทำบุญคนที่ก็เปิดทำไมเขาไม่ลำคาญทำไมเราลำคาญก็เพราะเราไม่อยากจะทำบุญกับเขาเราอยากจะอยู่เงียบๆก็เลยทำให้เกิดความลำคาญใจขึ้นมาแต่เมื่อเราอยู่ในภาวะที่จะต้องร่วมบุญเราก็ต้องร่วมบุญไปอย่าไปอยู่อยากเงียบๆ พราจะทำให้เกิดเราเกิดความลำคาญใจเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจแล้วจะทำให้เราไปพูดเลือกไปทำในสิ่งที่เสียหายได้นี่คือการอนุโมทนาบุญเป็นการขจัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เวลาเพื่อนบ้านทำอะไรส่งเสียงดังเวลาที่เขาทำบุญกัน ถ้าเราไปอนุโมทนาไปร่วมบุญด้วยเราก็จะมีเพื่อนเราก็จะมีความสุขนี่คือเรื่องของการสร้างความสุขอีกแบบหนึ่งสรง อ, อีกวิธีหนึ่งก็การการทำตัวให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงโอ้อวดอวดเก่งอวดดีการโอ้อวดอวดเก่งอวดดีนี้ จะทาให้เราต้องเครียดต้องคอยแสดงออกอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ามีใครเขาไม่ชื่นชมยินดีกับการโอ้อวดของเราแทนที่จะมีความสุขใจเราก็จะมีความทุกข์ใจแต่ถ้าเราทำเนื้ออำตัวไม่ไม่แสดงตัวว่าเราเก่งเราดีเราอยู่ติดติดพื้นติดดินใครจะว่าอะไรเราเลี้ยชม จะดาวเรารู้จะชมเราเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้มีความอยากจะให้ใครยกย่องนับถือว่าเราดีว่าเราเก่งแต่อย่างใดเพราะเราถือว่าเรายังไม่ดีพอเรายังไม่เก่งพออันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งคืออ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมีความเคารพต่อผู้ที่เขาเก่งกว่าเราสูงกว่าเรา อย่างนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขเพราะเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครใครจะเก่งก็ให้เขาเก่งไปใครจะดีก็ปล่อยเขาดีไปเราดีของเราแบบนี้ดีกว่าดีแบบมีความสุขก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็คือการสร้างความสุขให้กับใจวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือการ มีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้ถ้าเรามีความเห็นผิดเราก็จะทำผิดได้เช่นถ้าเราเห็นว่าการดื่มสุรานี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นความเห็นที่ผิดเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะการดื่มสุรานี้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ มีโทษหลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งต้องเสียเงินเสียทองไปโดยเปล่าประโยชน์สองต้องเสียเสียเวลาเพราะเมื่อดื่มแล้วก็ต้องเมื่อซื้อสุรามาแล้วก็ต้องมีเวลาดื่มเมื่อดื่มแล้วก็จะเกิดอาการมึนเมาไม่สามารถไปทำงานทำการได้เสียเวลาเสียหน้าที่ถ้าเสียงานเสียงานบ่อยๆก็อาจจะถูกขับไล่ออกจากงานไปได้ นอกอย่างนั้นก็ยังเสียสุขภาพดื่มสุรามากๆสุรานี้ก็จะเป็นพิษที่จะทําลายระบบการทํางานของร่างกายเช่นตับไตกระเพาะจะเกิดเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังจะตายก่อนวัยอันควรแล้วก็จะเสียทางด้านจิตใจก็คือจะเสียสติเวลาดื่มสุราแล้วจะไม่มีสติ ที่จะคอยประครับประคองความคิดไม่สามารถประครับประคองการกระทำการพูดได้คนที่ดื่มสุราแล้วเมานี้จะมีกิริยาการที่ไม่เรียบร้อยไม่สุภาพจะมีกิริยาการที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ก็จะกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจไปนี่คือโทษของการดื่มสุรา แต่คนที่ไม่คิดถึงโทษเหล่านี้ก็จะมีความเห็นผิดเป็นชอบคิดว่าการดื่มสุลานี้เป็นการเข้าสังคมเป็นการพบเพื่อนมีเพื่อนจะเข้าสังคมนี้ต้องเข้าดื่มสุราแต่ความจริงแล้วเป็นการเสียเพื่อนมากกว่าเพื่อนที่ได้ก็เป็นเพื่อนที่ไม่แท้จริงนั่นเองเป็นเพื่อนที่ชอบดื่มด้วยกันเท่านั้นเวลาไม่มีดืม่มเขาก็จะไม่มาคบค้าสมาคม ก, กับเรา แต่คนที่เรารักคนที่เราชอบนี่จะจากเราไปเช่นภรรยาหรือสามีของเราถ้าเราเดือมโสลาแล้วเมามากๆอารวาดบ่อยๆเขาจะทนอยู่กับเราไม่ได้เราจะสูญเสียสิ่งที่ดีไปเราแทนที่จะมีความสุขใจเราก็จะมีความทุกข์ใจนี่คือโทษของการที่มีความเห็นที่ไม่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องก็คือการทำบุญนี่ดีการละบาสนี่ดีการตัดความโลภความโกรธความหลงนี่ดีถ้าเราทำบุญละบาปตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงได้เราจะมีความสุขเราจะไม่มีความทุกข์นี่คือการที่จะทำให้เรามีความสุขใจเราต้องสร้างความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น วิธีที่จะสร้างความเห็นให้ถูกต้องให้เกิดขึ้นก็คือต้องเข้าหาผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายด้วยการศึกษาด้วยการฟังคำสอนของท่านเมื่อเราได้ยินได้ฟังคำสอนที่เป็นความเห็นที่ถูกตั้งล้วนๆต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ดําเนินชีวิตของเราไปในทางที่ถูกหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะเป็นการเกิดโทษกับเร า, านี่ก็เป็นอา น, นิสงส์อีกอันหนึ่งคือการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแล้วจะมีความเห็นที่ถูกต้องจะมีความสุขใจฟังแล้วจะมีความสงบความสงบนี้คือความสุขใจ ประการสุดท้ายการสร้างคามสุขอีกแบบหนึ่งก็คือการแบ่งปันธรรมะที่เรารู้นี้ให้แก่ผู้อถ้าเรารู้อะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราแบ่งปันให้แก่ผู้อื่ได้มีผู้สนใจที่จะฟังเราก็บอกเขาได้แต่ถ้าเขาไม่สนใจก็อย่าไปบังคับอย่าไปฝืนเพราะจะเกิดโทษไม่เกิดคุณ เวลาคนที่เขาไม่อยากได้อะไรแล้วเราพยายามยัดเยียดให้กับเขาเขาจะเกิดความลำคาญขึ้นมาดังนั้นการที่เราจะบอกธรรมะสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้เราต้องดูว่าเขาอยากจะฟังหรือไม่ถ้าเขาไม่อยากจะฟังก็อย่าไปพูดถ้าเขาสนใจเขาถามอย่างนี้ก็พูดได้ถ้าเราไม่รู้ธรรมะแต่เรารู้หนังสือธรรมะดีๆ เราอยากจะให้ผู้อื่นได้อ่านหนังสือธรรมะดีๆเราก็ช่วยพิมพ์เอามาจำนายจ่ายเอามาแจกกันก็ได้ทําเป็นธรรมทานาการให้ธรรมะนี้ชนะการให้ทั้งผัวการการทาทานนี้ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับการให้ธรรมะเพราะให้ธรรมะนี้คือให้ความเห็นที่ถูกต้องให้ความสุขใจ ให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายซึ่งการให้สิ่งอื่นๆ น, นี้ไม่สามารถทำได้ให้อาหารก็เพียงแต่ช่วยบาบัดความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นแต่ใหธรรมะนี้จะบาบัดความทุกข์ทางจิตใจนี่คือการสร้างความสุขด้วยวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันถ้าเราอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริง การสร้างความสุขแบบอื่นไม่ใช่เป็นความสร้างความสุขแต่เป็นการสร้างความทุกข์เช่นการสร้างลาบยศรเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกตืก้นกายนี้พวกเราสร้างกันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างเคยดูผลของของการสร้างความสุขเหล่านี้หรือไม่เรายังมีความทุกข์อยู่หรือเปล่าเรายังมีความอยากอยู่หรือเปล่า เราอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าอันนี้แหละคือผลที่เราควรจะประเมินกันถ้าเราทานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วความสุขจะมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงความอยากจะน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างความสุขทางใจให้ท่านได้นำมาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติ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 โดยทั่วหน้าการเธอ